ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนเสนอตอนที่44เผยแพร่ธรรมต่างแดนหมอดูทายที่เขาวงพระจันทร์และโรคหัวใจกำเริบ หลวงตามหาบัวญาสัมปันโนได้ให้อาว่าธรรมอวัยว่าพระอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกันเหมือนลูกพ่อแม่เดียวกันเราต่างองค์ต่างเป็นสาคยบุตรด้วยกันไม่ว่าจะชาติชั้นวันณะใดเข้ามาสู่นี้เป็นลูกศิตย์ตถาคตเป็นคนขอทานประเภทเดียวกันเดียวกันไม่เห็นอกเห็นใจกันไม่รักกันใครจะรักกันได้ในโลกนี้ถ้าลงพระ หาความพระ ค, ความสงสารความเห็น อ, อกเห็นใจกันไม่ได้แล้วโลกนี้จะไม่มีทาเหลืออยู่เลยถ้าพระไม่สั่งสมธรรมเหล่านี้ให้เด่นขึ้นในตนสมกับความเป็นพระซึ่งออกมาจากลูกตถายคดผู้ทรงพระเมตตาอย่างยอดเยี่ยมกับโลกทั้งหลายความเห็น อ, อกเห็นใจกันก็คือพระนั่นเองความให้อภัยกันก็คือพระความไม่ถือกันก็คือพระ ความเมตตาสงสารกันก็คือพระทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมแล้วก็คือพระพระทั้งนั้นเราอยู่ด้วยกันแบบพระแบบพระนี้จะหาความยุ่งเหยิงวุ่นวายทะเลาะเบาแว่งกันที่ไหนพระต่างคนก็มุ่งเจตนาอันเดียวกันด้วยความเป็นธรรมทำต่อธรรมมีจํำนวนมากเท่าไหร่บวกกันเข้าแล้วก็ยิ่งเป็นมหาสมบัติอันใหญ่ต่อพระองค์นั้นก็ดีองค์นี้ก็ดีองค์งไหนก็ดี น่ดีมาบวกหนึ่งดีเข้าก็เป็นสองดีบวกสามดีสี่ดีเข้าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นอันนั้นก็ดีองนี้ก็ดีทั้งวัดก็ดีด้วยกันทั้นนั้นมีแต่ของดีเต็มวัดไปหมดเลยหลวงตามหาบุญยนสัมปันโนได้เล่าชีว่าประวัติของท่าน ในขณะที่องค์ท่านได้เดินทางไปเผยแผ่ธรรมยังต่างประเทศเอาไว้ว่าในปีพุทธศักราช2517เราได้รับนมิมนต์ไปอธิบายธรรมและตอบปัญหาธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษที่ธรรมะปฏิปวิหารนแฮมสเตดลอนดอนประเทศอังกฤษโดยพระภิสุปัญญาวุฒโธเป็นผู้ทำหน้าที่เชื่อมสัมพันธไ ม, ธรมตรี ระหว่างพุทธศาสนิกชนชาวอังกฤษกับชาวไทยในการเดินทางไปครั้งนั้นมีผู้ร่วมไปปฏิบัติภารกิจอันสําคัญนี้5ท่านก็คือ1นึ่งหลวงตามหาบุญยสัมปโนสอพระภิสุปัญญาวัตโธ 3. พระภิษุภิเกโต 4. ศ u ส, สตระ迦นายแพทย์อวยเจตสิงห์ห้ามอมราชวงศ์เสริมสีกเกษรศีนักศึกษาประชาชนราชการและนักธุรกิจในประเทศอังกฤษ มีความสนใจในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากและมีการตั้งกลุ่มพุทธศาสนิกชนตั้งศูนย์พุทธศาสนิกชนกระจายอยู่หลายแห่งรวมทั้งในบริเวณเมืองมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ตลอดเวลาที่หลวงตาพำนักอยู่เพื่ออบรมสั่งสอนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวอังกฤษในกรุงลอนดอนต่างก็เข้ามาฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงตารวมทั้งให้การอุปถามภในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดี หลวงตาจะที่บายให้ฟังหลังจากนั้นก็จะตอบปัญหาที่มีผู้สักถามในประเด็นต่างๆมากมายไม่สามารถกันมากล่าวได้ทั้งหมดหลวงตาได้แสดงธรรมมีข้อความบางตอนว่าอัตตาและอนัตตาเป็นธรรมคู่กันตลอดจนสุดสายสมมุติกระทั่งจิตพ้นแล้วเป็นจิตเป็นบุคคลพิเศษไปแล้วอัตตาและอนัตตาก็หายไปเองไม่ต้องถูกขับไล่สส่งใดๆทั้งสิ้นมีเฉพาะความบริสุทธิ์ของจิตล้นลว น, ลวน เป็นเอกจิตเอกธรรมไม่มีสองกับสิ่งใดอีกแล้วคำว่าอนัตตาเป็นธรรมไตรรักษผู้ประสงความบริสุทธิ์วิมุตพระนิพานจำต้องพิจารณาอนิจจังทุกขอังอนัตตาจนรู้แจ้งเห็นจริงในไตรรักษนี้แล้วจึงชื่อว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีเพราะพระนิพานไม่ใช่อัตตาม่ใช่อนัตตาจะบังคับให้มาอยู่กับอนัตตาซึ่งเป็นไตรรักษได้เป็นทางเดินเพื่อพระนิพานได้อย่างไร วิธีการนั้นจะใช้เรียกอัตตาหรืออัาตตาก็ตามในระยะต้นๆให้ยึดอัตตาไว้ก่อนต่อไปค่อยถอนความยึดถืออัตตาลงเป็นลำดับดบจนถอนได้เด็ดขาดเพราะจิตเป็นตัวของตัวเองด้วยหลักธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แล้วแต่ไม่ใช่เป็นตนแบบอัตตาดังกล่าวมานี้เป็นสมมติแต่นั้นเป็นมิมุตรจริงผิดกัน หลวงตามหาบุญญาณสัมปัโนโลได้เล่าชีวประวัติของท่านในตอนที่หมอดูทายชีวประวัติของท่านและชีวิตของท่านที่เขาวงพระจันทร์เอาไว้ว่าเขานิมนต์แจงขอร้องให้เราไปที่เขาวงพระจันทร์เจ้าของห้างขายยาเศรษฐีใหญ่ในกรุงเทพเราก็ไม่เคยไปเหยียบบ้านเขาเลยเพราะเราครบคนไม่ได้คบเพื่อเงินคบเพื่อธรรมถ้าเป็นแบบโลกโลกอุ้ยได้ยกกระถางใหญ่โตห้างขายยาใหญ่ เราไม่เคยสนใจแหละเรื่องอุปธรรมอุปถาเราไม่เคยมีในใจนอกจากธรรมเขาพาไปมีแต่คนแก่แจผู้หญิงอายุห้6 0หผู้ชายมีเพียงคนขับรถคนเดียวฉันจังหันแล้วไปถึงนั้นตั้งสามทุ่มกว่าจากกรุงเทพไปไปถึงก็เมืดเขาจัดที่พักให้เราพักที่ชายเขาวงพระจันทร์พอตื่นเช้าเขาก็จัดอาหารมาให้ฉันเราก็หาอุบายถามว่า ใครบ้างจะขึ้นเขาในวันนี้คนนั้นก็ว่าฉันก็จะขึ้นคนนี้ก็ว่าฉันก็จะขึ้นมีแต่คนจะขึ้นทั้งหมดโอ้ยตายไปกับพวกนี้5้าชั่วโมงก็ไม่ถึงเขาก็ย้อนถามเราแล้วท่านละขึ้นไหมโอ้ยต้องดูเหตุการณ์ซะก่อนเหตุการณ์ควรขึ้นก็ขึ้นไม่ควรขึ้นก็ไม่ขึ้นเราก็ว่าอย่างนี้ในที่สุดพอมีโอกาสเราก็ขึ้นเป็นคนเดียว 1>, 1ชั่วโมงถึงสถานที่เลยทหารไปชั่วโมงสิห้านาทีเป็นอย่างเร็วประชาชนต้องสองถึงสามชั่วโมงพอไปถึงคนที่ดูแลรักษารอยพระพุทธบาทออกมาต้อนรับจะทาน้ำร้อนน้ำชามาถวายแต่ตาของเขาจ้องมองมาทางเราจนผิดปกติเราดูเขาเขาไม่รู้นะแต่เขาดูเรานี้เรารู้ชัดเจนมารยาทการดูมันต่างกันเรามองดูก็รู้ว่าเขาดูเราหากว่าเป็นคน เป็นอย่างโลกก็แสดงว่ามีพิรุษต่อกันแต่เราไม่สนใจเขาถามว่าท่านอาจารย์มากับใครที่มาตรงนี้มาคนเดียวเราบอกและมีใครมาด้วยไหมนี่อยู่ด้วยกันข้างล่างโน้นเขาจะขึ้นมาทีหลังเขาจ้องมองดูแต่เราเพ่งมองดูอย่างนั้นเราฉันน้ำร้อนน้ำชาให้เขา น, นนิดหน่อยหน่อยแล้วเขาก็จ้องพอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าขอดูลายมือหน่อยนะท่านอาจารย์เราก็เข้าใจอ๋อ ที่เขาจ้องดูเราหมายถึงจะขอดูลายมือนี่เองที่ไม่ลืมคำพูดของเขาก็คือประโยคที่ว่าคำพูดที่ว่าสำคัญก็คือ 1. ท่านอาจารย์นี้มีเท่าไรหมดไม่มีการสั่งสมถ้าเป็นน้ำในคลองเขาไม่มีแอ่งเก็บน้ำไหลตเตลิดเปิดเปิืงหมดจึงไม่มีแต่ไม่จนข้อที่สองท่านอาจารย์ปากเป็นพุท ธ, ธะตามหลักของเขาคือวาถ้าคาพูดสาคัญมาก ที่สก็าบอกว่าท่านอาจารย์ไม่ใช่พระธรรมดาเราก็แปลกใจเราไม่เคยถามนะมีแต่เขาพูดเขาเองเราเฉยไม่สนใจถามจำได้เพียงสามประโยคที่นำมาเล่านี้เท่านั้นเองหลุงตามหาบูยญาสัมปันโนหรือเล่าชีวประวัติของท่านตอนที่องค์ท่านเป็นโรคหัวใจกำเริบเอาไว้ว่า ในปีพุทธศักราช2506โรคหัวใจกำเริบจากนั้นมาเรื่อยก็ไม่เป็นท่าแกิจติกายเทศหยุดมา3หรือ4ปีไม่เทศเลยแม้แต่แขกก็รับไม่ได้นะอย่าว่าแต่ไม่เทศเลยรับแขกก็รับไม่ได้เราเริ่มเป็นโรคหัวใจเมื่อวันที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2506เป็นตอนกำลังเทศในงานเผาศพท่านพระจันกงมาธิราชุญโยจะอาวาดวัดดอยธรรมเจดี จังหวัดสกลนครงานนั้นมีคนเป็นหมืนม่นๆพระเป็นพันๆคือตามธรมธรมดาธรรมดาเทศธรรมดาธรรมดามันก็ไม่เร็วนะเป็นธรรมดาไปถ้าเทศทั่วๆั่วไปนี้มันก็ธรรมดาทั่วๆไปไม่ค่อยเร่งไม่ค่อยเร็วละพอเทศถึงขั้นสมาธิเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี้เร็วเริ่มต้นสมาธิก็เริ่มเร็วแล้วแล้วขั้นของสมาธิกี่ขั้นกี่ภูมิ ไปตามความละเอียดของสมาธิก็เร็วไปเรื่อยๆและยิ่งเข้าขั้นปัญญาและเป็นปัญญาอัตโนมัติด้วยแล้วยิ่งไปใหญ่เลยหมุนติ้วๆเวลามันเป็นอย่างนั้นมันหมุนสีนี่เราไม่เคยเป็นมันอะไรพูดไม่ถูกนะเหมือนกับว่าเราจะสลบบนธรมากึกเลยเอ๊ะทาไมเป็นอย่างนี้แต่สติรู้ตลอดเวลาไม่ได้เคยเผลอรู้อยู่ทุกขณะที่มันเป็นกําลังเทศเร่งเร่งเร่ง หยุดกึกเลยเอนี่เราเป็นอะไรนะเพราะเราไม่เคยเป็นนั้นเป็นครั้งแรกที่อยู่บนธรรมาฏวัดดอยธรรมเจดีจนกระทั่งรู้สึกรู้สึกชัดเจนว่าอ๋อนี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นโรคหัวใจเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองคือตัวมันสั่นหมดพอค่อยเบาลงเรื่องภายในนี้และออกมาทางส่วนร่างกายนี้ตัวมันสั่นหมดเลยเอวังก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี ลงจากธรรมากราบมาั่วๆนี้เลยคนก็มืดแปดทิศแปดด้านเลยไม่ทราบว่าเราลงธรรมะเมือ่อใดเราไม่ได้เกี่ยวกับใครนี่ลงธรรมะแล้วไปเลยคนจะตายจะอยู่ได้ยังไงตั้งแต่แ บ, บัดนั้นเป็นต้นมาก็รู้ว่าอ๋อโรคหัวใจมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็รู้มาโดยลําดับลําดับตลอดมาจนทกวันนี้ เลื่อตามหาบุวญาสัมปันโนได้เล่าชี้ว่าประวัติของท่านต่อไปอีกว่าแม้ว่าเราจะพยายามรักษาตัวเองด้วยหลบหลีกไปไหนแต่ความที่โรครุมเร้าสุขงอมเต็มที่จึงแสดงอาการขึ้นมาปลายปีพุทธศักราช2527ปรากฏว่าโรคหัวใจผสมกับโรคหอบที่เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนได้กำเริบอย่างรุนแรงทาให้เราต้องฝืนไม่ยอมนอนติดต่อกันถึงสามคืน เนื่องจากโรคหอบนี้มักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหากตกใจหรือกำเริบขึ้นขณะนอนหลับนั้นย่อมแจ้ไขไม่ทันหมอจีนที่ลูกศิษย์นำมารักษาได้ถวายยาถูกกับโรคโรคหอบที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันจึงสงบลงอย่างเด็ดขาดและไม่ปรากฏว่าได้แสดงอาการขึ้นอีกในภายหลังหมอเขารู้เรื่อัดเรื่องทำที่ไหนเขาไม่รู้เรื่องเขาก็รู้วิชาของหมอปฏิบัติตามเรื่องของหมอล้วน ตามหลักวิชาเขาเรียนทีนี้พระทั้งองค์ไปมอบตัวเป็นทุนให้เขาเลยแล้วแต่เขาจะถลุงแบบไหนแบบไหนเราไม่เป็นตัวของเราเลยพอพูดอย่างนี้เราก็ย้อนไปถึงโรงพยาบาลอุดรชานีเราเอาพระไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลอุดอพรพอผ่าตัดแล้วพวกหมอผู้มีการสั่งให้หมอผู้หญิงเข้ามาพลาญพลังกับพระเข้ามาฉีดยาเราพูดอย่างเด็ดขาดเลยว่าอย่ามายุ่ง อย่ามายุ่งเลยนะไม่มีเลยหรือที่ผู้จะปฏิบัติให้ได้รับความสะดวกสบายตามหลักพระธรรมวินัยจึงต้องเอาผู้หญิงเข้ามาฉีดยายุ่งเหยื่อย่าทำกับพระเราไม่ให้ทำเพราะว่าอย่างนี้เลยนะท่านอย่ามาเคร่งครัดในเวลาเช่นนี้ผู้ในการเสดยด้วยนะพูดขึ้นมาอย่างนี้เราเคร่งครัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราเคร่งครัดมาตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนู่นแล้วเราไม่ได้มาสังหารธรรมวินัยนะ เราพาพระมารักษามาเข้าโรงพยาบาลเรามาแก้โรคต่างหากถ้าไม่สมควรที่จะรักษาเราก็เอากลับได้ที่ได้มีป่าช้าทั้งนั้นแหละเราก็ว่าอย่างนี้